ต่อไปหน้า3าสห้าพระเทกรัตตคาถาหันธรรมยางพระเทกรัตตคาถาโยปนามเซมปฏิตังนานวาคธมยางนาปฏิกังเขอนาคตังหมูคนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยหาไล และไม่พึงพังงสิ่งที่ยังไม่มายถึงยะทะีท่ตามไปนั้นตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลบไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปจจุปันนั้นจะโยธรรมางตถาตถะวิปัสสติ อายทิรังอาัางกุปปังต่างเวทามนุรละเยผู้ได้เห็นธรรมอันเป็นขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงีนคอนแคนเขาควร พ, พ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้าเชเ่ว่ากิจจะมาตับัง โกชัญยามรันังสุเอความเพียรเป็นทิที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้วัางกายแม่รุงนี้นายิโนสังครันเทนามหาเซเนนามัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาพิงอโหระตามตันจิตตังตังเวพาเทกะรัโตติสันโตอาจิกาเตมุนีติมูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรเช่นเช่นนั้นไม่เกี่ยข้างทางกลางวันกลางคืนว่า เป็นผู้มีธาต่เดียวจิญนั้นดังนี้